ธรรมเทศนาของท่านหลวงตานหลวงศัก์ขีนาโยมตอนแนวทางการปฏิบัติเพื่อออกจากสังสารวัฏ ต, ตอนที่สองเนี่ยเมื่อเราเนี่ยเห็นอย่างเนี้ยเห็นสังขารของโยมเนี่ยสังขารที่มันมันแก่มันเจ็บมันป่วยทุกข์ทรมาณอย่างเนี้ยเราเดี๋ยวได้รับเชิญไปงานศพต่างๆอยู่เรื่อยๆเราไปเห็นไปเผาศพเขาเนี่ย เรานำมาน้อมที่จะนายเห็นว่าเนี่ยสังขารร่างกายเนี่ยมันของเที่ยงจริงหรือเปล่ามันเป็นตัวตนของเราจริงๆงหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นของเที่ยงที่เราจะรักษามันไว้ในตัวกูตัวกูมันจะเที่ยงเนี่ยเป็นตัวกูเพราะว่ามันจริงจริงหรือเปล่าหรือว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันต้องผุพังมันต้องสลายใครบ้านจะหนีความแก่ความเจ็บป่วยทุกทรมานเนี่ยที่สุดเนี่ยมันก็ต้องส่งกับเราหมดทุกคนนั่นแหละมันจะว่าจะเจ็บปวยในสภาพใจไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บป่วยความความตายกันได้ เราเห็นแต่เราไม่นำมาพิจารณาเราเลยมีแต่ความประหมังมีแต่เกาะเกี่ยวปัวพันยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับเราจะไม่ตายเหมือนกับคนที่เรารักมันจะไม่แตกไม่ดับไม่ตายผ่าๆจากกันมีแต่ความลุ่มหลงเนี่ยไม่ช้าหรอกเราก็ต้องแตกดับเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องไปอยู่ไอซีูต้องทุกข์ทรมานแล้วก็ต้องกะทุกขจนตายตายไปแล้วไอคนข้างแล้วก็สามไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อแม่พี่น้อง ก็ต้องตายแตกกลับไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะไรไม่มีใครเลิกจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเราก็ไม่ได้อยู่คําฟ้ามันก็ไมด้เป็นสามีภรรยาด้วยกันอยู่จนกว่าคำฟ้าไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอยู่ในกันจนคําฟ้าหรอกมันก็มาเจอกันในในพบชาตินี้ตอนนั้นแหละก่อนมาเจอกันในพบชาตินี้ไม่รู้มันเป็นอะไรต่อกันมามันเป็นเจ้านี้เราหรือว่ามันเป็นลูกนี้เราล่ะถ้ามันเป็นลูกนี้เรามันเกิดมาก็ให้ใจเรามีความาสุขความสบาย แต่ถ้ามันเป็นเจ้านี้เรามาเกิดมากับเรามัาเป็นสามีภรรยามาเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นลูกหลานเนี่ยมันก็ให้โทษกับเราทําให้เราเมีความทุกข์ยากน้ำตาไหลเข้าเลายออกมีสมบัติเท่าไหรมัน ก, ก็ผ่านเกลี้ยงนี่มันคือเจ้าหนี่เราที่เราใช้นี่เขาไม่หมดแต่ถ้าเราเนี่ยเขามาใช้นี่เราเราเป็นเจ้านี่เขาเราก็มีแต่ความสุขสบายมันมีเรื่องหนึ่งนี้ที่เขาว่ามีเศรษฐีเนี่ย ผัวเมียไม่มีลูกตอนเช้าเปิดหน้าร้านมาเห็นคนมายืนแต่งชุดขาอยู่หน้าหน้าร้านก็ถามว่ามาทําไมบอกว่าจะมาทวงห น, นี้เจรดสี่กู้อะไรนี่เพื่อนมันบุกเข้าไปในร้านเลยเจ็ดฐีกับลูกน้องให้ลูกน้องไล่หาตามจับก็ไม่เจอหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจ อ, เจ อ, เจอต่อมาภรรยาทองจะไม่มีลูกมมีลูกเลย พอมันมีลูกขึ้นมาน่นแี่ะการค้าขายเริ่มขาดทุนพอเริ่มท้องก็เริ่มขาดทุนเลยค้าขายขาดขาดขา ด, ขาดทุนพอลูกโตขึ้นมามันฝานหมดแหละสมบัติพัฒนานมันกินเที่ยวเล่นผ่านเกลี้ยงเลยกว่าพ่อจะนึกขึ้นได้ว่าจะผีจะนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันเหลือแต่บ้านผุ้หัวแล้วเนี่ยหมดแล้วสมบัติแต่เหลือแต่บ้าน ที่ทสุกหัวอาศัยนั่นน่ะแน่ไอ้เจ้าหนี้เองนี่ว่าที่มันเป็นเจ้าหนี้เนี่ยบอกว่าทวงนี้อยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วมันเกิดเป็นลูกม่นเลยผ่านเกลี้ยงเลยนี่พ่อกับแม่เลยเขาไปก้าวเท้าลูกบอกว่าพอแล้วพอแล้วพ่อกับแม่หมดตัวแล้วขอโหติกรรมให้พ่อกับแม่เถอะพอแล้วพอแล้วโหดตีกราเถอะพ่อกับแม่หมดเน้อหมดตัวขอให้ปันให้พ่อกับแม่เนี่ยเป็นที่อาศัยเนี่ยซุกหัวนอนเลย ลูกที่เคยกินเที่ยวเล่นก็เก็บตัวเงียบซึมเศ้าเลยแล้วก็ตายซึมเงียบไปแล้วก็ตายเลยเพราะว่าใจ่ายให้อภัยแล้วเมื่อใจให้อภัยที่มาจองเวรสอกสันเหที่ทําให้มาเกิดเนี่ยเทปเพื่อศาสนาคมันต้องมีเหตุและผลเนีหตุที่ทําให้มาเกิดเนี่ยมันก็เลยหมดสิ้นไปเพราใจให้อภัยแล้วมันไม่สามารถที่จะมาจองวิกันต่อไปมันก็เลยดับไปลูกก็เลยถึงแก่ความตายแล้วจากไป มันก่อนมาเกิดกันเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นอะไรต่อกันมาทํากรรมอะไรต่อกันมาเนี่ยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมแป่าพามีกรรมเป็นพวกฟองมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมอันใดไว้ย่อนในรับผลของกรรมอันนั้นมันทํากรรมอะไรต่อกันมาเราถึงมาเกิดร่วมกันมาเจอกันแล้วพอมาเสร็จแล้วพอมันรุ่มหลงกันละรุ่มหลงกันจะเป็นจะตาย ไม่นึกเลยว่ามันจะต้องตายจากการก่อนมาไม่รู้ไม่เป็นอะไรต่อกันมาเจอกันในชาตินี้มาชดใช้กรรมต่อกันแล้วก็หมดสิ้นไปแล้วก็จากกันไปเมื่อมาชดใช้กันกันก็เออก็ปฏิบัติกันด้วยดีจงกว่าจะตายจากกันไปเพราะว่ามันชดใช้กรรมซึ่งกันและกันถ้าไม่ยอมชดใช้กรรมซึ่งกันและกันก็อาฆาตแก้ปฏญาบัติกลับไปเมื่อเขาทําให้ดีกับเรากรรมนั้นกรรมันก็ไม่จบสิ้นมันก็เป็นปูม้างมึงมั่งกูมั่งมึงบั่งกอง องตํารรงเกวียนหมุนเบียนวนมันไม่จบสิ้นมึงทํากูได้กูจะต้องทํามึงได้ตอนนี้มันก็ไม่จบสิ้นแล้วตอนนี้มันก็อาฆาตแค้นพยาบาทกันตอนนี้ก็องค์กรรมองเกวียนหมุนเบียนวนกูมัางมึงมัางเนี่ยที่ไหนที่หลําปู่ล่านั่นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงปูล่าเขมรปตโภูุจโกอเป็นพระล้านที่เขาบอกว่าเอวลาสามีไปมีเมียน้อย ก็ยกมือท่วมหัวซาทุกออกรรมที่ทําได้กันมาใช้หมดเวรหมดกรรมไปเราเคยเราเนี่ยจะได้ไม่จองเวรแม่ฆาตพยาบาทยกให้เขาไปซักเพราะว่าเคยไปแย่งผัวเขาแย่งเมียเข้ามาก่อนเขาเลยเอาของเราไปเหตุโดยบังเอิญไม่มีหรอกเพราะนั้นถ้าไปอาคาดแคปพยาบาทไปฆ่าเขาตายผัวเมียเขาไปมีมีเมียน้อยไปมีผัวน้อยอะไรต่างๆนี่ไปฆ่าเขาตาย กองคำกองเกียนที่มันไม่จบสิ้นที่จะต้องสนใจกันมันก็ต้องกลับมาหาเราอีกวุ่นมาอีกอย่างนี้ไม่จบสิ้นนั้นในเหตุบางเอิญไม่มีในโลกนี้คิดมันให้เป็นคิดให้เป็นคิดให้เป็นมันก็เย็นได้คิดไม่เป็นมันก็ร้อนอกร้อนใจอยู่นี่ไงคิดไม่เป็นคิดเป็นกับคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นพุทธศาสนาคิดไม่เป็นมันก็เป็นกิเลสตัณหา เป็นความรุ่มหลงมันไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาส น, า, สนามสอนให้คนมีปัญญาให้หายหลงอเอาวิชาเนี่ยมันคือความโง่ที่เรายึยดมั่นถือมัน่นยึดมัน่นนี่พุทธเจ้าพยายามจะสอนเท่าไหร่ครูบาอาจารย์พยายามสอนเท่าไหร่เราก็ไม่ฟังจะยึดมันอยู่นี่เนี่ยทำไมเขาเรียกเขาไม่เรียกว่ายึดถือล่ะทาไมเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมัน่นก็เพราะว่าใครจะสอนอยังไงพุทธเจ้าจะสอนอยังไงครูคบาอาจารย์จะสอนอยังไง มันไม่ฟังมันจะยึดอย่างเดียวเนี่ยก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแต่ถ้ามันยึดถืออย่างเดียวมันเดี๋ยวก็ปล่อยได้เราปล่อยได้แต่นี่ไม่ยึดถือมันยึดมั่นถือมั่นเลยเนี่ยขาจะพูดยังไงมันจะยึดอย่างเงี้ยมันจะยึดอย่างเงี้ยมันไม่ยอมปล่อยมันก็เลยเป็นเอาวิชาเนี่ยแหละเอาวิญญาณมันเลยพาให้เกิดได้เนี่ยอาวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดสังขารมันก็เลยปรุงแต่งเป็นเป็นสังขารในภพภูมิต่างๆด้วยไปสังขารเป็นปจเกิดวิญญาณวิญญาณก็เลยเข้ามาผสมได้นาาาาารู้้วิณเเยขมมส ตอนนมกระปรงแต่งต่อไปเนี่ยไปจนถึงเนี่ยกิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค่ใจแล้วตายไปแล้วผมเลียนว่าตายเกิดเพราะอาวิชชาไม่ดับเพราะอวิชชาไม่ดับเป็นความยึดมั่นถือมั่นทั้งความรักความจางความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวกูเนี่ยเอาไอ้ร่างกายที่เป็นในี่ร่างกายก า, ายหยาบเนี่ยกายเนื้อเนี่ยหรือกายโปรงแสงเช่นเป็นเทวดาก็กายปร่แสงว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเอาจิตที่ปรุงแต่งคือความรู้สึกมือคิดอารมณ์ เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเมื่อเราเอาวิชาตัวนี้ไม่ดับไม่ดับปุ๊บเรายึดเราเป็น travels, ตัวตนไว้ตอนนี้เราเคยส่องกระจกเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าหน้าตาเราเป็นยังไงเราเคยส่องกระจกหน้าตาเราเป็นยังไงเรายึดไว้ในความรู้สึกเราว่าเรามีรูปร่างเป็นอย่างไรเวลาเราตายแล้วเราเลยตายจากกายเนื้ออืโดยกายแต่ตายเนื้อกายจกายเนื้อเราไม่ดับเนาะ แม้แต่เทวดาเองก็ไม่ดับมันดับแต่ไปแต่กลายปงแต่งแล้วไปเปลี่ยนร่างใหม่เพราะจิตมันไม่ดับ จ, จิตที่เป็นความรู้สึกนึ ก, กิดอารมณ์มันไม่ดับมันยึดเอาไว้มันเลยไปปุงแต่งเป็นกายในายซ้อนตัวเองดังนั้นเวลาตายแล้วมันก็เป็นนั่งร้องไห้ในกานศพของตัวเองเนี่ยก็มีรูปร่างเหมือนตัวเราเนี่ยแหละเดินไปเดินมาในงานศพมันก็ร้องหยงร้องไห้ฟุ้งายหน้าหลงศพตัวเองอะไรนะเผาร่างคู่ทำไมเผาร่างคู่ทำไมมันก็ร้องหยงร้องไห้ฟุ้งไาอย่างไี้มีแต่ความทุกข์ พยายามจะกอดลูกพยายามจะกอดสามีพยายามจะจะยึดลูกยึดสามียึดภรรยาพยายามจะกอดเอาไว้แต่มันก็เหมือนแต่ความว่างเปล่ากอดไม่ติดเลยแต่ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เพราะเขาก็ไม่เห็นตัวเองไม่รู้ไม่ไม่เห็นตัวเองไม่ไม่รู้ตัวเองตัวเองก็เลยแต่แต่ทุกข์ร้องไห้ร้องห่มอยู่คนเดียวมันตายไปแต่กายเนื้อนะไอ้กายในมันไม่ได้แตกกลับด้วยเพราะความยึดนที่ลูกห่างเป็นตัวเป็นตนมันไม่ฮะมันยังไม่ดับ มันยึดว่าเราเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยสร้างตัวตนไว้ในความรู้สึกเลยตายแต่กายเนื้อไอ้ตัวตนก็เลยต้องไปทุกรับทุกข์ทรมานในแสนสาหัสหตายแล้วยังต้องไปรับทุกข์ทรมานแสนสาหัสแล้วพวกโยมมาทูตโยมาบาลก็เลยมาจับเอาไปได้เอาสามง่ามมาแทางเอาไปคนหนึ่ ง, อ, นนงอีกคนหนึ่งก็คอยลากถูรูดูกลางไปอีกตนอีกต้นหนึ่งก็มามาแทางเอ้าไปเอาสามง่ามมาแทางเอ้าไปลากถูรูดูกลางไปเอาไปลงโทษเอาไปรับผลกรรมที่เราทําไปตามบุญบาปที่เราทําไป มันแสนมองแล้วมันแสนอะไร่ะแสนสลดสังเวชในความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายตายแล้วยังไม่ยังไม่สิ้นทุกข์อีกไปนั่งร้องไห้เพราะความทุกข์ถูกขร่าถูรู้ถูกกางไปลงโทษให้เป็นความทุกข์อีกมันแสนจะสลดสังเวชจริงๆในความไม่รู้เท่าเนี่ยอาวิชามันในใจมันไม่ดำมันเลยมีกิเลสตัณหาไปทั่วมีความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานะ มันเลยมีไปทั่วมีมีอยู่มากขึ้นมากขึ้นมันไม่ได้น้อยลงมันดะสิ้นไปเมื่อสิ้นยึดกิเลสตัณหามันก็ดับไปไม่สิ้นยึดมันก็มีมากขึ้นกิเลสตัณหามันมาจากความยึด่ในความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นความรุ่มหลงเป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวไม่มีตนก็ไม่มีตัวเราไปยึดอะไรมันก็เลยสิ้นกิเลสตัณหาคือมีกิริยาการภายในจิตในวันทุกความรู้สึกมนกิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปเสำวยเลยกงไม่แต่ กิริยาอาการของจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นเองแล้วมันกระดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองทุกกิริยาอาการของจิตทุกความรู้สึกนึกิดอารมณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมนเองแล้วกระดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองเนื่องจากตัวเราไม่มีตัวตนเป็นเพียงแค่วิญญาธาตุสิทธาธิรู้ที่เป็นความไม่มีตัวตนมันจึงไม่มีอะไรไปรองรับกิริยาการเหล่านั้นสรุปแล้วคือขันธ์หน้าไม่มีใครไปยึดถือขันธ์หนาเลยทั้งร่างกายทั้งนามประคันรูปประคันและนามประคันทุกความรู้สึกนึกอรมมมไ่ีใครไิดอารไับม่มีใครไปเสวยไม่มีใครรไปกกินอาา ไม่มีใครเป็นเศษอาการว่าจิต ด, ดีจะเอาจิตไม่ดีไม่เอาดีรักชั่วชังเกลียดทุกรักถุกมันไม่ทำเพราะมันไม่มีตัวตนของผู้ดีไปดีรักชั่วชังเกลียดทุกรักทุกมันมีแต่รับรู้สักแต่วันรับรู้รับรู้สักแต่วันรับรู้นี่แนี่ยที่พุทธเจ้าตัดกับพยะพยะฟังทำจนจบปุบก็กลายไปเป็นสักแต่วรู้ไปเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ที่เป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ก็คือเป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่ไม่ไม่ไม่ปรุงแต่งได้ ไมเข้าไปยึดมัน่นหรืมั่นอะไได้ก็มารูพุทธิพัณฑในปัจจุบันนั่นเราต้องเข้าใจระบบทั้งหมดที่เราพยายามอธิบายยืดยามเขาพูว่ า, หวาให้ท่านเข้าใจระบบทั้งหมดของธรรมธรรมก็คือธรรมชาติของเราเองเนี่ยนี่ยเป็ธรรมชาติของเราแล้วธรรมชาติรอบตัวเราแต่เราไม่เข้าใจธรรมชาติอย่างเนี้แล้วเราจะปฏิบัติอะไรเราจะโดนเข้าหลอกกันไปเรื่อยๆไปไม่รู้อะไรคือธรรมชาตอิอะไรคืออะไรคือธรรมะนั่นแน่เราต้องเข้าใจ ขอกการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจในใจของเราร้อเปอร์เซ็นแล้วใครจะมาหลอกเราอย่างไงเราก็จะไม่หลงต่อไปเช่นต้องช่วยตัวเองให้เข้าใจการที่จะช่วยตัวเองเข้าใจเขาถึขันห้ามช่วยตัวเองเข้าใจธรรมาชาติรู้เพราะแต่รู้ว่าเราเข้าใจแล้วเราไม่เข้าใจแล้วเราติ้นการยึดแล้วธรรมาชาติก็รู้ว่าเราติ้นการยึดแล้วเรายึดอยู่ธรรมาชาติของของท่านรู้เพราะได้แต่รู้ว่าเรายึด เพราะฉะนั้นน่ยเขช่วยเราไปเนี่ยทุกอย่างเราช่วยเราทิ้นยึดเนี่ยช่วยเราเข้าใจหน่อยเอาขาน่ามาฟังให้เข้าใจหน่อยแล้วช่วยปฏิบัติตามให้มันสิ้นยึดไปได้ถ้าเขาพูดว่าเขาพูดอย่างนี้แล้วเราไม่ฟังเราก็ลองพิจารณาดูว่ามันตัวตนมันมันไม่มีจริงจริงหรือเปล่ามันต้องสิ้นไปดับไปจริงจริงเปล่ากันเนาะมาพิจารณาเอาความตายเอาสุภเอสุภธรรมฐานบารณะนุสติความตายนอกเปลือกผู้ฟังเนมันสลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นอากาศธาตุหรือเป็นธาตุว่างหรือเปล่า วันเรามาน้อมหรือวันเราคนใกล้เคียงเรากี่คนแล้วที่สุดเนี่ยของแข็งในร่างกายก็เป็นขี้เท้าทุรีของเหลวทานน้ํามันก็ละเหยไปหมดมันบางส่วนเน่าแล้วก็ไหลลงแผ่นดินไปหมดธาตุลมมันก็ไปก่อนแล้วพอจะตายธาตุลมมันหนีไปก่อนแล้วธาตุไฟมันก็หนีหนีอันที่สองคือธาตุไฟแต่ธาตุจิตวิญญาณธาตุจิตวิญญาณมันไปก่อนแล้วมันหนีไปก่อนแล้วไอธาตุลมมันจึงดับหายใจเพื่อ เรือยา ว, ยาวๆไมกี่ตีไปดูคนตายเราเห็นมาเยอะล่ะหายใจไม่หายใ จ, ายใจขาดอากาศหายใจหายใจยาวเรือกเรือกไปเกินสามครั้งดับสนิทถ่ทานไฟเริ่มอ่อนลงตัวเย็นลงเย็นลงเย็นลงไม่ช้าแข็งทือเป็นท่อนไม้เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ําเริ่มเน่าแล้วแต่นี้เพราะธาตุไฟธานทธาตุรู้ไปก่อนแล้ววิญญาณธาตุธาตุรู้นี้ไปก่อนแล้วแล้วก็ ผ่านลมหายใจเรือเๆื้อผ่านอากาศหายใจหายใจยาวเรื้อเรือกๆื้อยืดตัวขึ้นไปจกี่ทีสองครั้งสองสามครั้งก็ดับสนิดนึ่งถ้าไฟก็ค่อยๆดับไฟตัวเย็นแข็งทื่อยกไปไหนก็เป็นท่อนไม้เวลาเขาจะเอามางัดมือออกมานอกผ้าขาวให้ลดน้ำสบเราเนี่ย งัดจะไม่ไปออกเลยมันแข็งพื้นมเลยเพราะธาตุดินกับธาตุน้ามันเหลือแต่ธาตุดินกับน้ำมันเน่ามันแข็งละหมดไลมันเอางัดเอามาเอาผ้าเอาผ้าขาวมาคุมล่างอะไรเป็นผ้ากาวผ้าเหลืองมาคุมไหมเอามือออกมานอกฝ่ายห้มันลดน้ำจบตอนมีชีวิตอยู่กูจะเอากูจะเอาเอาบุตกอบโอยไปทุกอย่างกูจะเอาทุกอย่างกูจะเอาทุกอย่างตอนตายแล้วก็ต้องงัดแบงมือออกไม่ได้เอะไรไปได้ทุกอย่างหนึ่งเขาก็เอาน้ํามานลดน้ํามาลดมาลดศบเราลดแบงลดมือเราลดมือจบทั้งหลาย น้ำสักหยบเดียวก็กำมาไปไม่ได้เพื่อสอนคนเป็นว่าตอนคุณมีชีวิตอยู่คุณกำมือมาแน่นล้องกูจะเอากูจะเอากูจะเอาล็อกแว่อแหว่เนี่ยกูจะเอ า, อากูจะเอาทุกอย่างในโลกนี้กูจะเอาทุกอย่างพอตายแล้วต้องแบกมือออกเอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแม้แต่น้ําที่กมันรดศบเราหยดเดียวก็เอาไปไม่ได้ดัน่นั้ะกูจะเอาจะตายเราจะตายเอาผัวเอาเมาีย เอาลูกมากอดไว้ให้แน่นว่าอย่าหนีเช่นไปอย่าหนีเช่นไปฉันจะพาไปด้วยฉันจะพาไปด้วยจ ะ, จะตายแล้วจะพาไปด้วยมีใครบ้างพาไปได้พอตายแล้วหายใจไม่ออกเพลือเพลือแค่นั้นน่มือก็ล่วงพลอยไม่มีใครกอดอะไรไปได้เลยสักอย่างเดียวนั่นแหละให้มีสติปัญญาที่จะพิจนไให้เข้าใจให้สังวรไว้ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไ เอาอะไรไปไม่ได้เราไอ nice ้ท <ab es> <funnel> <inaudible> <the> ี่กอบโกยเนี okay. ่ยที <uk> ่จะเอากูจะเอาดุจะเอาป้องอะไรไปไม่ได้เอาอะไรไปที่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเอานิพพานไปด้วยนะแม้แต่ว่าปฏิบัติธรรมกูจะเอานิพพานไปด้วยเอาไปไม่ได้นิพพานก็เอาไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะนิพพานมันคือสิ้นผู้เอานิพพานมันคือสิ้นผู้เอาไม่ใช่ว่ากูจะเอานุจเจ้านี่จะเอานิพพานแล้วตายแล้วกูก็จะนิพพานไปด้วย นิพพานมันเติมเต็มผู้เอาหรือไม่มีผู้เอาอะไรไปเลยนั่นแหะนิพพานมันจึงไม่มีใครเอาอะไรไปเล้นิพพานก็คือคงมีอยู่ในธรรมชาติของเขาตามเดิมก็คือกลับคืนสู่ธรรมชาติของธาตุที่ไม่มีการยึดมั่นถึงมั่นซึ่งกันละกันก็เลยกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมดินก็เป็นกีเถ้าทุลีไปธาตุน้ําก็เน่าไปธาตุลมก็ไปธาตุไฟก็แล้วออกไปหมดสิน้นธาตุรูห้หรือวิญ ญ, ญาณอันธาตุก็เป็นความว่างเปล่าก็กลับคืนสู่จักรวาลที่ว่างเปล่านั่นแนะเรียกว่าบริสุทธ์ เป็นอมตะไม่มีวันตายก็คือเป็นความว่างเปล่าอย่างเป็นอมตะคือเป็นธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุที่เป็นอมตะไม่มีวันตายแม้แต่บรรลุนิพพานแล้วคือสิ้นผู้เอาแล้วก็ไม่สามารถดับวิญญาณธาตุได้ซึ่งเป็นธาตุรู้ได้เลยกลับคืนสู่ความว่างเปล่าของจักรวาลเมื่อตายแล้วมันจึงไม่มีเหลือตัวตนที่เป็นตัวโคงแสงขาเพราะมันสิ้นผู้จะเอาแล้วสิน้นกิเลสตัณหาแล้ว มันตายแล้วเมื่อกายเนื้อแตกดับลงหรือกายโปร่งแสงแตกดับลงหรือจะเป็นอารมณ์ภพซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นจิตปรุงแตกดับลงมันก็เหลือแต่รู้รู้ที่ว่างเปล่านั่นแหละมาเลยกลับคืนสู่ความว่างเปล่าที่เป็นอมาตะอาจจะกล่าวได้ว่ารู้ที่เป็นธานรู้ดั่งเดิมนั่นแหละอยู่ในทุกที่อยู่ในทุกที่พุทธเจ้าประหลาดที่เข้าถึงรู้ที่เป็น สักแต่ว่ารู้แล้วที่ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้ไปรองรับไม่มีผู้ไปวเสวยอะไรไม่มีผู้ไปเสพอะไรไม่มีผู้ไปเอาแล้วสิ้นผู้จะเอาแล้วก็กลายไปเป็นธาตุรู้ที่ว <Screw> ่างเปล่าแล้วอาจจะการได้ว่าพุทธเจ้าพระอัลลาห์ทั้งหลายอยู่ในทุกที่ผู้สิ้นการยึดบั่นถือมั่นแล้อยู่ในทุกที่ที่ได้มีความว่างอยู่ในทุกที่อยู่ในทุกที่ไม่ใช่เราฝึกว่าให้เราเนี่ยเริ่มฝึกหนึงไปเอาความว่างเลย อยู่ๆก็ไปจับความว่างเลยมีหลายคนที่ปฏิบัติแบบนี้อยู่ๆก็ไปจับเอาความว่างมาเลยแล้วเราดูทิว่าเราดูความว่างนั้นเนี่ยแต่เรากลับมีตัวตนไปจับความว่างได้กลายเป็นความว่างเปล่าความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นของที่มีให้ไปจับมาได้แล้วเอาตัวเราที่เป็นสังขารเนี่ยไปปรุงแต่งเป็นตัวเราไปจับความว่างว่าเราว่างแล้วเราว่างแล้วคนปฏิบัติหลงแบบเนี้ยมากมายหลายกองกลายเป็นว่าเอาสังขารเนี่ย ซึ่งเป็นตัวเราเนี่ยไปจับเอาความรู้สึกว่างความรู้สึกว่างก็เลยกลายเป็นความมีตัวตวัมีความว่างที่จับต้องได้แล้วเอาตัวเราเนี่ยไปจับความว่างได้เลยปฏิบัติเริ่มต้นก็ทำใจให้ว่างเปล่าปฏิบัติผิดล้มหลงแบบเนี้ยมากมายนะเพราะอะไรเพราะกิเลสตัวเดียวแทนที่จะปฏิบัติฏิบัติด้วยความปล่อยว่างแต่เร่งปฏิบัติเอาความว่าง มันปฏิบัติด้วยกินเลวคือมีผู้เอาเริ่มต้นก็จะเอาความว่างเลยเจ้าโสดาบันเอาสกทาค า, ามีเอาอนาคามีเอาหลานมันจะเอาตั้งแต่แรกเขาสิ้นผู้เอานี่จะเอาตั้งแต่แรกนี่มันปฏิบัติหลงชัดเลยนี่แล้วสอนก็ไม่ได้คนที่ปฏิบัติแบบนี้่หมดสิ้นที่จะสอนได้เพราะมันเป็นวิจชาที่ดีเป็นความเห็นผิดทีนะ่ไร้แรงพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธิเป็นวิฉาที่ดีนี้เราสถาคชักสะพานเสีย คนโง่ยังสอนได้แต่คนที่ติดมานะมีที่ติในความเห็นนี้สอนไม่ได้พุทธเจ้ากลับว่าเราสถากดชักสะพานเสียหน้าอเนกอนาถนะเกิดมากี่พบกี่ชาติแม้พบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้เพราะพระ อ, องค์ชักสะพานเสียทิ่ติมานะความเห็นผิดต้องดับเสียต้องดับเสีย มันต้องปฏิบัติไปเรื่อยละปล่อยวางไปเรื่อยปล่อยวางเรื่อยจนกระทั่งสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ้นผู้จะเอาตั้นแนมันจึงเป็นสักแต่วันรู้เป็นนิพพ า, านธาตุหรือกลายเป็นกิจดั่งเดินแท้ๆหรือวิญญาณดั่งเดินแท้ๆขึ้นมาเองคือความไม่มี ต, ตนตนนี่อะไรคือมันต้องสิ้นผู้จะเอาสิ้นผู้จะไปยึดสิ้นจะไปรองรับอะไรแม้แต่ความว่างมันก็ไม่มีผู้ไปรองรับ ความโปร่งโล่งเบาสบายมันก็ไม่มีผู้ไปรองรับความที่ไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาสบายความอึนอัดกับข้องใจมันก็ไม่มีผู้ไปรองรับมันไม่คิดคุยรองรับทั้งหมดมันไม่มีผู้รองรับเลยมันเลยสิ้นผู้จะเอาสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้เสพพอสิ้นแค่นั้นแนี่ยสิ้นกิเลสตนาคือสิ้นผู้จะเอาสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้เสพสิ้นผู้ยึดมั่นหรือมั่นมันก็เลยสิ้นกิเลสสิ้นความทุกข์นั่นแนะมันจึงเป็นวิญญาณภาตุที่เป็นธาตุตั้งเดิมแท้แท้หรือเป็นจิตตั การปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยความปล่อยวางไม่ใช่ว่าปฏิบัติจะไปเอาอะไรนะต้องตั้งต้นการปฏิบัติใหม่ให้ถูกต้องเข้าใจแล้วท่านก็จะสิ้นทุกต้องถามในใจของเราทุกณะปฏิบัติว่าเราปล่อยวางหรือเราจะเอาเราอยู่ในโลกเราก็จะเอาทุกอย่างจะเอาทุกอย่างในโลกพอเรามาปฏิบัติทำเราก็เริ่มต้นจะเอาแล้วจะเอาฌานเอาสมาธิ เอาฤทธิ์เอาปัญญาทางจิตฤทธิ์ทางใจเอาตาพิบผูพิบรู้วดีรู้ว่นาคตระลึกชาติได้รู้วลาริตคนอื่นได้แสดงอิจฉลิทธ์ได้เราจะเอาทุกอย่างแล้วและที่สุดก็จะเอาโปร่งโล่งเบาสบายและที่สุดจะเอาความว่างเอารู้สึกว่างเอาความว่างแล้มีแต่จะเอาจะเอาโลกก็ไม่ทิ้งมาปฏิบัติธรรมก็จะเอาไม่ได้ทิ้งอะไรเลยที่สุดเลยมีกิเลสมากทั้งโลกทั้งธรรมเลยกลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นยึดมมากยิดทั้งสองด้าน ดูให้ดีนะพิจารณาเราให้ดีพิจารณาให้ดีว่าปล่อยวางอยู่ทิ่บมั่นถรือมั่นกันแน่พิจารณาให้ดีอย่าหลอกตัวเองหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้หลอกใจของตัวเองไม่ได้หลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้มากเทียมไดก็ตามสอนคนอื่นได้หลอกคนอื่นได้แต่หลอกใจของตัวเองไม่ได้ เราสิ้นยึดแล้วหรือไม่สิ้นยึดมันรู้ได้ในตัวของเราเองเราสิ้นทุกข์หรือสิ้นกิเลสแล้วหรือว่ายังทุกข์หรือยังมีกิเลสกระปิงใดเราหลอกตัวเองไม่ได้หล่กหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้นะแล้วเราจะหลอกคนอื่นไปทําไมเพราะเราอยากต้องเรียนวายตายเกิดเป็นทุกข์กตกเศร้าเสียใจก็ตัวเรานี่ยแหละหลอกตัวเองจะมีประโยชน์อะไรทําให้มีแต่เป็นบาปกรรม เราต้องปฏิบัติด้วยความปล่อยวางไม่ใช่ยึดมั่นถือมัน่นนะนี่แน่ความทุกข์มันจะได้น้อ ย, อยถอยลงไปยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกน้อยสิ้นยึดสิ้นทุกข์เราทุกคนเนี่ยรู้ตัวของเราดีว่าเรายึดอะไรอยู่เราไม่ต้องถามใครเลยไม่ต้องถามพระเจ้าไม่ต้องถาม ใครทั้งหมดเรายึดอะไรอยู่เรารู้ตัวของเราดีเรายังไม่ไปล่อยวางเราก็ต้องรู้ตัวของเราดีแต่แค่นั้นเราเห็นแต่คนทั้งหลายพูดแต่เรื่องความรู้มีแต่ความรู้แต่ไม่ได้ไปล่อยวาง ม, วา ม, นะมีแต่ความยึดนะมีแต่ความยึดมันไม่ได้ปล่อยวางมีแต่ความยึดมันไม่ได้ไปล่อยวางหรอยังรู้มากเท่าไหร่เพราะยังมีแต่ความยึดมากจะเอาจะเอาไม่ได้สิ้นผู้จะเอา มันไม่ได้สิ้นเลยมันจะจะเอาในโลกก็ไม่ทิ้งเอานั้นเอานี้เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆพอมาแม่ก็จะเอาเพิ่มเข้าไปทุกอย่างเพิ่มเข้าไปมีแต่เพิ่มเข้าไปไม่ได้ไปวาง น, นะเราจะรู้เองี่ยยึดเองก็ทุกเองไหวางเองก็สิ้นทุกเองพนณา้ดีนะพนณา้ดีใจมันหลง ถ้าเราจินยึดแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติในความจิตยึดอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้นาะมันจะเป็นไม่ว่าอยู่วัดวาอารามเหรอเดี๋ยวนี้ไอ้อินเทอร์เน็ตไอ้ยูทูบอะไรมันก็ดเข้าไปทั่วเนี่ยคาสอนของครูบาอาจารย์มีไปทั่วเราไปฟังเอาเหอะมันมีอยู่ทั่วสําคัญที่ตัวคือเราดูที่ใจเรานี่แหละเรายึดอยู่แล้วก็วางมันไม้หมดไม่งั้นท่านมาปฏิบัติทำกี่วันกี่วันไม่ประโยชน์อะไรเลย ท่านกลับไปที่สุดก็ไปทะเลาะกันกับครอบครัวกลับไปก็ไปทะเลาะกับลูกท่านกลับไปชีวิตเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้ น, นมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมไม่มีความหมายนะเพอกลับไปก็ เ, เห็นแล้วเตะกันเ้ามีภรรยานุ่งขาวห่มขาวไปกลับมาสามีเตะซะมาฟ้องศาลแล้วว่าเตะทำไมเนี่ยมาฟ้องศาลมันน้อยไปท่านทำไม ไปออกบัตรเครดิตบัตรทองให้ให้พระไปซื้อรถวอลโ o แล้วตัวเองเป็นคนจ่ายตางบัตรเครดิตมันน้อยไปเนี่ยเนี่ยท่านเตะแค่เนี้ยมันน้อยไปเตะตะเขียวไปทั้งตัวเลยเนี่ยเขาปฏิบัติทรรอะไรอย่างเี้ยนุ่งขาวห่มขาวไปอยู่วัดต้างหลายวันกลัมาเตะกันซ้อมกันทะเลาะ ก, กันมันมีประโยชน์อะไรแบบนี้นเรามาพุกันควอนจริงนะเนี่ยเราไปมาหลายที่เป็นอย่างเงี้กีเลย อเลิกเลิกสอแล้วเลิกแล้วจะกลับแล้วร้องผมร้องไห้ปูมไฟรถไฟกลับไปก็ปทะเลาะ ก, กันเหมือนเดิมเตะกันเหมือนเดิมซ้อมกันด่ากันเหมือนเดิมลูกเต้าก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมความยึดมัน่นถือมัน่นไม่ได้ไม่ได้หมดไปเลยมันมีจฉมากขึ้นมากขึ้นไอเราก็จะตายแล้วแก่แล้วจะตายแล้วจะเจ็บจะตายแล้วไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาตั้งนึงยึดนู่นยึดนี่ ไอ้ข้างนอกมันยึอเอาไปไม่ได้สังขารล่างกายความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขันห้าเราก็เอาไปไม่ได้นี่ยึดทั้งข้างนอกยึดทั้งข้างในขันห้าก็ยึดไอ้ข้างนอกก็ยึดโอมนมารถไปไม่ได้สักอย่างแต่ยึดหมดทุกอย่างเนี่ยถ้ลองนึกดู่าปฏิบัติทำเนี่ยมันมาปฏิบัติกดข่มเอาไว้หรือว่าปฏิบัติอะไรมีแต่รูปแบบอืมโดยดีนะพี่นายดีกว่ากลับไปมันมีความสุขปล่อยวา ง, าวงแล้วมกลับไปโอซะบายอะไรเงี้ยกลับไปแล้วจะสบายเนีย้ย ใจของเราเนี่ยมันดับไปลแล้ว เ, เนี่ยที่มีอยู่เรื่องหนึ่งนี้ก็ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ ง, นงที่อะไรลูกสะพ้ายเนี่ยที่บังคน ว, ว่าเราเล่าให้ฟังตอนเช้าแต่หลายคนไมได้ยินที่บอกว่าลูกสะพ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยไปอยู่กับแม่ผัวโอ้ยตั่งทะเลาะกับแม่ผัวกันทุกวันยิ่งทะเลาะกันหนักขึ้นทุกวันทะเลาะกันจะเป็นจะตายกับแม่ผัวเนี่ยกับลูกสะพ้น่ย ไอ้ลูกเขยก็ไอ้ลูกไอ้ลูกของตัวเองไอ้ลูกชายก็โอ้โหทุกข์มากเลยแม่เมียกับแม่ทะเลาะ ก, กันตกหนักก็ได้แก่ไอ้ลูกชายไอ้ลูกสบายกับแม่ผัวก็ทะเลาะ ก, กันทุกวันทุกวันทุกวันหนักขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยจนกระทั่งไอ้ลูกสบายจนไม่ได้ไปแอบปรึกษาไอ้หมอยาที่รู้จักกันว่ามียาพิษอะไรแรงๆที่ที่แอบให้แม่ผัว กินแล้วก็ให้จับไม่ได้ว่าใส่ยาพิษไปกินเออหมอยาก็เลยเข้าไปหลังบ้านแล้วก็ไปเอายามาห่อบอกว่าอันเนี้ยค่อยๆเอาโลยให้ทุกอย่างเนี้ยทําอาหารอะไรก็ตามต่อไปเนี้ย ก, กลับไปเนี้ยให้แอบให้คืให้ทําดีกับแม่ผัวทุกอย่างเลยทําอาหารอร่อยให้แม่ผัวกินแล้วก็เอาไอเนี้ยไอผงเนี่ยโรยโรยใส่อาหารทุกอย่างเลยให้แม่ผัวกินแล้วก็อย่าไปทะเลาะกับแม่ผัวนะให้ทําดีทุกอย่างกับแม่ผัว ให้แม่ผัวตายใจอย่าไปทะเลาะ อ, อีกให้แม่ผัวตายใจเอาผงเนี่ยโรยในยอาหารทให้แม่ผัวกินอลูกสะภ้ายก็ดีใจกลับไปทําดีต่อแม่ผัวทุกอย่างเอาอาหารทําอาหารอย่างดีอร่อยให้แม่ผัวกินแล้วก็เอายาเนี่โยโรยโรยในอาหารทุกชยาดให้แม่ผัวผ่านไป ลูกสะพ้ายมก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแม่ผัวก็เลยรักลูกสะพ้เพราะว่าลูกสะพ้าไม่เคยเถียงไม่เคยทะเลาะไม่เคยขัดใจเลยมีแต่ทำอาหารอร่อยให้กินพาไปเที่ยวพาไปโน่นไปนี่เอาใจตลอดเลยแม่ผัวรักลูกสะพ้ายกันไหมนานเข้านานเข้ารักลูกสะภ้ายจริ ง, รงๆเลยไอ้ลูกสะภ้าเกินเดือดเนื้อร้อนใจรีบไปหาหมอยาบอกว่ามียาแก้ไหมมียาแก้หรือเปล่าเนี่ยไม่อยากให้แม่ผัวตายแล้วเพราะว่าแม่ผัวเนี่ยรักตัวเองเหมือนลูกสาวเลย มียาแก้ไหมเนี่ยมียาแก้พิษหรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากให้แม่ผัวตายอีกแล้วหมอยาก็เลยบอกว่าเออยาพิษเนี่ยมันถูกแก้ไปหมดแล้วก็คือยาพิษในใจของเจ้าเนี่ยที่ทะเลาะรังเกียจแม่ผัวแล้วคิจะฆ่าแม่ผัวเนี่ยมันเป็นยาพิษยาพิษในใจของเจ้าเนี่ยมันถูกล้างไปหมดแล้วไอ้ยาที่ให้ไปเนี่ยเป็นยาบำรุงไม่ใช่ยาพิษ เพราะเจ้าเนี่ยกับเป็นคนดีแม่ผัวเลยรักเจ้านั่นแหละสิ่งที่ล้ายที่สุดคือใจของเจ้านั่นแหละอย่าพิษก็คือใจของเจ้านั่นแหละมันถูกล้างไปแล้วอายาที่ให้ไปมันไม่ได้ยาพิษหรอกมันไม่ต้องล้างหรอกเมื่อล้างยาพิษในใจของของเราได้แล้วนั่นแหละมันก็หมดขึ้นไป เป็นการทะเลาะ บ, บอกแว้งกับคนอื่นความโทษต่อคนอื่นไม่ดียังไงมันก็หายไปอันใจของเราเองแต่แท้ๆมาปฏิ บ, บัติธรรมเราเห็นลีลยวมาถึงบางคนก็ก่อนนั้นเราเจอแต่หัวเราะไปหัวเราะมาหน้าตายิมแยนแจ่มใสห ย, ยอกคนนู้นหยอกคนนี้เราแยกก็ไปหน่อยบอกว่าเฮ้ยหัวเราะแต่ใบหน้าแตใจไม่หัวเราะด้วย ลองให้ภูมิฟายอะสามีไม่ดีอย่างงั้นสามีไม่ดีอย่างนี้นอนโอ้ตายและยึดมั่นถือมัน่นโทษแต่คนอื่ น, นเหมือนกับลูกระไภ้กับแม่ผัวเลยโทษแต่เขาพอใจเราเปลี่ยนไปแค่นั้นแน่ยามก็เปลี่ยนไปะมันไม่ได้เปลี่ยนตัวตัวเองแต่เรานอยากจะให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนตัวเองเราไม่เปลี่ยนตัวเองแต่เราจะให้แต่คนอื่นเขาเปลี่ยนจะให้คนอื่นก็เป็นอย่างเรา เรามีแต่เอาแต่ใจตนเองแต่เราไม่เคยไคิดถึงคนอื่น hier. ไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราเราเอาแต่ใจตนเองแล้วเราก็ทะเลาะกันเสียงกันกับลูกกับสามีกับภรรยากับญาติพี่น้องเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการแต่เราเลือก <c oughs> กับ <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนตัวเราเองเราเลิกอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยความสุขผาสุขมัน ก, ก็เกิดขึ้นแต่นี้เราคิดจะเปลี่ยนเขาอยู่เรื่อยไปเราไม่เปลี่ยนตนเอง ความทะเลาะเบาแวมันก็เลยเกิดขึ้นเราเลยถามมาหลายคู่แลเยอะแยะมากมายแบบนี้ไงจะกินไม่นี่อยากกินไม่นี่แต่อ้นี่ไม่ดีไม่พนักงาบอกไอ้นี้ไม่ดีไม่มีประโยชน์กินนี่ดีดีกว่าโอ้แต่สามีอย่ากินนี่นี่เท่าไหร่ไม่ดีไม่ดีอย่าไปกินมันของไม่มีประโยชน์ทำไม่ได้เรียนเลไม่ได้กินหรอกจะไอ้นู่นเนาะอย่างนี้อีกนีไม่ดีเอาอย่างนี่กว่าเพี้ยเลยท้ายเนี่ยเอาแต่ที่สามีชอบไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างที่สามีชอบตุ๊กตี คือคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นพอถึงลูกเหมือนกันเน่ะเราถามลูกหลายคนเด็กหลายคนเราถามว่าหนูหนูอยากเป็นอะไรลูกหนูอยากเป็นอะไรล่ะพ่อกับแม่ก็อยากให้ผมเป็นนี่เป็นนี่ครับลูกสาวว่าพ่อกับแม่ก็อยากให้ให้หนูเป็นนั่นเป็นนี่ครับเราว่าอ่ะไอพี่หนูอยากเป็นไม่มีเลยแล้วลูก วิตีพ่อกับแม่ก็อยากให้หนูเป็นเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองนะเรามีชีวิตอยู่เนะี่ยเราถามเด็กแต่ละคนเนะี่ยพ่อกับแม่อยากให้เป็นหมดเลยแล้วเด็กแต่ละคนเรียนจบมอนแล้วเป็นยังไงก็เลยไม่ทํางานอย่างที่ตัวเองจบมาการศึกษาเมืองไทยเลยเสียหายยับเยินเพราะว่าเด็กจบมาแล้วไม่ทํางานอย่างที่ตัวเองท้าบุษราษเรียนมาเสียเรียนมานานสุดท้ายเด็กไม่ทํางาน ไม่ทำงานอย่างที่ตัวเองเรียนมาเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรไม่อยากที่จะทำไม่อยากที่เรียนจะถูกบังคับไปเรียนแล้วเรียนจบมาก็เสียหายแล้วตัวเองก็ไม่มีความสุขชีวิตก็ไม่มีความสุขหรือไม่เช่นนั้นก็เชื่อตามสังคมคือเงินเป็นพระเจ้าตอนนี้ถามว่าหนูอยากเป็นอะไรลูกอยาเป็นหมอพูดหนห้วนอยาเป็นหมอ หนูทำไมอยากเป็นหมอแล้วลูกอยากรวยโอ้พูดเด็ดขาดมากเลยไม่ต้องคิดเลยว่าหนูคิดใหม่ไม่ได้หรือลูกไออยากเป็นหมอเพราะอยากจะช่วยคนนะลูกช่คิดใหม่เลยนะไออยากรวยเนะี่ยมันก็คือรัทุกคนก็อยากรวยเนะี่ยแต่มันก็ต้องให้เออเราคิดจกจะช่วยเขาสักก่อนเราเห็นได้ว่าอาชีพหมอเนี่ยมันช่วยคนได้เยอะเราจะได้เองส่วนเราเป็นหมอที่ดีแล้วเงินทองมันไหลามาเทมาก็าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยไป แต่เลยจนอยากรวยเลยเป็นหมออยากรวยพูดอย่างนี้เลยโอ้โหเราว่าเด็กสมัยนี้น่ากลัวจริงๆเลยเอาเงินเป็นพระเจ้าอย่างเดียวเห็นโลกลรามันน่าเบื่อจริงๆเลยจะไปเกิดให้เป็นทุกข์อยู่เลยนะเกิดดีก็ทุกข์อีกเลจะไปเกิดให้เป็นทุกข์เลยโอ้ยปฏิบัติเข้าไปวางมากๆเข้าไปวางโอ้ยไม่จะว่าจะเอารุ่นเอานี่เอานั่นเอานี่ไม่วางเกิดมาโอ้ยทุกแสนสาหัสร้องห่มร้องไห้ โอ้เห็นแล้วเป็นทุกจริงๆนะเขาจะถามอะไรมั้งดูว่าดูว่าเนไแล้วก็อกว่ามันก็เรื่อเรื่อกัวะรท่มันค่เเรัแล้วก็ ถ้าท่านยังเข้าใจอย่างนี้ท่านปฏิบัติยังไงวนตายเพราะในความรู้สึกของท่านมีความรู้สึกของท่านเป็นตัวเป็นตนตลอดพอเริ่มรู้สึกจะไม่มีตัวตนท่านกลัวแล้วว่าตัวเราจะอยู่ที่ไหนแล้วตัวเราจะอยู่ยังไงเอาอเราไม่มีตัวแล้วเราจะมีที่อยู่ได้ไงเป็นธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่งางเลยอ้าวแล้วเราจะมีที่เราจะ Yale เราจะตัวเราอยู่ที่ไหน เราเนี่เรากลัวว่าอ่าเดี๋ยวเราจะมีตัวเราจะมีที่อยู่แสดงว่าถ้าเข้าใจผิดแล้วปฏิบัติเข้าใจผิดถ้าปฏิบัติอย่างงไงจะไป็นไปอย่างไรเพราะเราไม่มีตัวงัเราเป็นวิญญาณวิญญาณที่มามาเข้าวิญญาณแท้แท้ดั้งเดิมมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่พอเราไปคิดว่าเรามีตัวเอาเดี๋ยวเรปฏิบัติไปเดี๋ยวเราจะไปถึงซึ่งความไม่มีตัวแล้วเดี๋ยวกลัวแล้วว่าเดี๋ยวตัวเราจะหายไปเอาแต่ตัวเราไม่มีเราไปกลัวตัวเราหายไปแสดงว่าถ้าเข้าใจผิดแต่แรกแล้ว พอเราไม่มีตัวแต่แรกแต่เราไปเข้าใจเดี๋ยวไปกลัวว่าเดี๋ยวตัวเราจะหายไปเดี๋ยวตัวเราจะไม่มีที่อยู่ก็ตัวเรามันไม่มีไงมันมีแต่รู้ไงสิ่งที่ไม่หายไปคือรู้ไงไอ้นี่รู้เนี่ยมันไม่หายไปหรอกเราเนี่ยรู้เนี่ยเนี่ยมันจะหายไปไหนมันก็อยู่แต่รู้เนี่ยอยู่กับรู้อยู่กับรู้เนี่ยสัตววรู้อยู่กับรู้สัตว์วารู้นี่เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนรู้เนี่ยมันเคยดับไม่มีใครทําลายมันได้แม้แต่นิพพานก็ทําลายมันไม่ได้รู้เนี่ยอืม รู้เน <ô. S 2> ี course, ่ยมันคิดไม่ได้มันได้แต่รู้มันคิดไม่ได้นึกไม่ได้มันมีอารมณ์ไม่ได้มันมีอะไรไม่ได้เมันได้แต่รู้ไม่ใช่เข้าใจนะเข้าใจนี่คือขันห้าคือจิตปรุงแต่งไม่เข้าใจก็คือขันห้าแต่รู้เนี่ยมันได้แต่รู้ว่าเราเข้าใจเราไม่เข้าใจมันได้แต่รู้เพราะนั้นไอ้รู้เนี่ยไม่หายไปเลยรู้เนี่ยมันคือไม่มีตัวตนไม่มีอะไรหรอกมันได้แต่รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วไมีใครก็เป็นเสวยไม่ีใครเขไปรองรับมันก็ได้แต่รู้อย่างนี้นี่ะ มีอะไรเกิดขึ้นในใจทุกความรู้สึกทุกคิดอารมณ์ในปัจจุบันผู้กระปัจจุบันไม่มีใครไปเำรวจไม่มีใครไปลองรับมันก็ได้แต่รู้อยู่อย่างงี้ไงไอ้รู้เนี่ยไม่หายไปหรอกไม่หายไปเลยตายแล้วก็ไม่หายมบนรลุนิพพานแล้วก็ไม่หายไม่ดับเพราะมันเป็นเป็นธาตุรู้มันเป็นธาตุที่เป็นความไม่มีตัวตนเป็นธาตุที่บริสุทธิ์มันไม่มันไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายไม่ใช่ว่าเรากลัวใตัวเราเดียวเราจะไปอยูอย่างนี้เดียวตัวเราจะหายไปเราจะอยู่ยังไงเนีย แสดงว่าเราเข้าใจไม่เข้าใจเพจะเรียนจะว่างว่ามตัวต้องรู้นะว่างว่างแต่มันก็ต้องรู้ว่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจนะใจเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจต้องรู้นะถ้า ไ, ไม่รู้เนี่ยเป็นแต่ความว่างเงี้ยเดียวหลงเลยคืออย่างเงี้ยสมมติว่าเราเราบอกว่าวีเวกมันเปล่าเปล่ า, าอย่างเงี้ยนะ ท่านเห็นอตัวท่านเห็นแต่ไอ้วิเวกเปล่าๆอยู่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ถ้าไม่เห็นตัวท่านเนี่ยสัจ์รรมเราตัวท่านเนี่ยไม่วิเวกเปล่าๆแล้วไอ้ตัวเราเนี่ยคิดอยู่ตลอดเลยโอ้วิเวกเปล่าๆแล้วเราจะอยู่ยังไงแล้วตัวเรากไปหายไปไหนแล้วเราจะเป็นไงอุ้ยเราเนี่สารพัณจะคิดไม่เห็น่ะแต่เอาไปเห็นแต่ไอ้ความไม่มีอะไรเนี่ยเอใช่ไหมแต่ตัวเราเนี Dop ่ยคิดเปล่าๆอุ้ยเราจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อง้อุยสัรพัณจะคิดกับไม่เห็นเนี่ย ตัวเราไม่มีหรอกตัวเราได้แต่รู้ไว้ตัวเราเนี่ยที่กำลังคิดอยู่แต่เรากลับเอาตัวเราไปรู้ความว่างเราเนี่ยผมมีความว่างเปล่าเราไม่เห็นได้ในความว่างมีตัวเราในคิดไม่เลิกเลยคิดตลอดแต่ตัวเราไม่ปรากฏมีแต่ในความว่างเปล่าเนี่ยมีแต่ตัวเราคิดคิดไม่เลิกอ่ะไม่มีหลอกันจะอยู่คิดอ่ะเราจะไม่ตายแ้วมันมีอยู่คิดหรอมันคิดไม่เลิกคิดตลอดเวลาเนี่ยไม่มีหรอกไอ้คนที่บอกมีแต่ความว่างไม่คิดอะไรไม่จริงหรอกอันนั้นอ่ะ มันคิดตลอดเวลาเนี่ยไม่มีเลิคิดหลอกท่านเอาตัวท่านอะไปเห็นแต่ความว่างแล้จะไม่เห็นตัวเราเนีย่ยตัวเราที่มีความว่างพวกมัคิดตลอดที่ท่านบอกว่าอยู่ๆเนี่ยท่านก็ว่างไปหมดเลยเพราะปฏิบัติแล้วว่างแล้วก็บอกไปหมดเลยว่างไปหมดแต่เวลากลับไปทํางานแล้วทำไมมันมีแต่โลกโรคมีแต่ปวดหัวมีแต่วุ่นวายตามเดิมก็เราบอกแล้วไงคือเราเนี่ยไม่เห็นตัวเราที่ไปไปไ ป, ไปเห็นแต่ความว่าง แต่เราไม่เห็นตัวเราเราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราแต่เราตัวเราเนี่ยไปจับความว่างเหมือนที่ความว่างไว้เลยเบาสบายอยู่ที่เดินไปเดินมาเลยสบายแต่ที่จริงเนี่ยเป็นของปลอมว่าเราะเราตัวเราไปยึดความว่างไว้เราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้ยึดเราเลยกลับไปทํางานเลยผท้ชายเน่ะของจริงมก็เกิดขึ้นคือมีปัญหาในใจเพราะเราไม่ได้ิ้ดตัวเราไงเรามีตัวเรายึดกุบไว้พอเราไปไปทำงานปุ๊บเราเลยติดทุกข์เลยตอนนี้เราเลยเกียดทุกข์เราไม่มีตัวเราไว้ไง เราไปปฏิบัติอลไรเราเราลับตุกพอไปทํางานอะไรเราเกลียดทุกข์เลยเราไม่ได้ทิ้ตัวเราผู้ผู้รักผู้เกลียดคือหลายคนเอาตัวเองกับไปคิดไปปรุงไปจับความว่าไปจับอารมณ์จับความรู้สึกที่โป่งโรคเราสบายมันเอาตัวเองไปจับแต่ผมพยายามจะสอนว่าให้ปล่อยวางตัวเองเนี่เราจะสอนอยังไงแต่นี้มันสอนอยังไงก็หลายคนก็ทำอย่างนี้ยคือเอาตัวเราเองเนี่ยไปจับ อาลงความรู้สึกไว้ไปจับความคิดไปจับความว่างไว้ไปจับโป่โงโลกเบาสบายไว้เราบอกให้ปล่อยวางตัวเองแต่กลับเอาตัวเองไปจับอาการมันคนละเรื่องกันเลย ป, ะ ป, ะป้ากับดินเรืตัวนี้นะคือมั น, ม, นยยงง ม, มันแค่เงี้ยสมมติว่าไอ้ไอ้ไอ้กิริยาการที่ถูกรู้ทั้งหมดเนี่เหมือนกับไอ้ของทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยของทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยกิริยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็ของอยู่ในโต๊ะแล้วท่านก็รู้ท่านกิริยาการแล้วรู้ทั้งอากาศที่ว่างเปล่า ตัวานรู้เนี่ยแต่กิริยาการเนี่ยท่านไม่สนใจล่ะท่านสนใจความว่างเปล่าท่านรู้เนี่ยอากาศเป็นความว่างเปล่าแล้วก็รู้กิริยาการที่เกิดขึ้นโดยท่านรู้แต่ทุกที่เรากําลังพูดเนี่ยไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เลยให้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เนี่ยตัวเราเนี่ยมารู้ไอ้เนี่ยมารู้ไอ้เนี่ยในกิริยาการทุกทีการแล้วเป็นความว่างเปล่าโบ่งสบายอยไรก็ตามเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยไม่มีความหมายเลยให้ปล่อยวางววาวาไอ้ตัวผู้รู้นู้น่ะว่าตัวเราไม่มีไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวผู้มารู้เนี่ยมันเป็นสังขารมันเป็นความปรุงแต่งเพราะตัวเราไม่มีไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยไอเนียกิริยา ก, การเนี่ยมัหนก็เป็นสังขารปรุงแต่งแต่ไอ้ตัวเราผู้มารู้เนี่ยกิริยาการแล้วรู้ความรู้สึกว่างเนีไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยเป็นตัวจอบปรุงแต่งเลยตัวนั้นเป็นเาวิชาเราให้ปล่อยวางตัวเราผู้มารู้เนี่ยให้เห็นมันในตัวเราเนี่ย ที่มันไปรู้อะไรแล้วมันคิดว่าอย่างไงมันไปรู้อะไรแล้วมันคิดว่าอย่างไงให้ปล่อยวางตัวเราผู้ไปรู้เนี่ย้ผู้รู้นี่เนี่ยผู้รู้เนี่ยมันจะคิดด้วยมันรู้อะไรมันจะคิดด้วยให้ปล่อยวางตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ปะเอาผู้รู้เนี่ยไปปล่อยวางอาการอื่นๆหรือว่าเอาผู้รู้ไปรู้ความว่างแล้วเราพยายามไปจับความว่างไว้ไปจับความโปร่งโล่งเบาสบายไว้ไปจับแสงสว่างไว้อันเนี้มันเป็นการปฏิบัติที่ผิดพลาดมหาศาลเลยมันมันเป็นตัวยึดมันมีผู้ยึดมีผู้จะเอามัน ต้องปล่อยวางไอ้ตัวเราเนี่ยผู้ที่จะไปผู้ที่ไปเห็นผู้ไปรู้เนี่ยปล่อยวางไอ้ตัวผู้รู้ไอ้ตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้ไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยมันจะตึกตรองบรรู้อะไรแล้วมันจะตึกตรองคิดติดตรองคิดติดตรองคิดวิเคราะห์คิดวิจารณ์คิดวิจัยคิดชอบไม่ชอบคิดพอใจไม่พอใจไอ้ตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะรู้อะไรมันจะต้องคิดวิเคราะห์คิดวิจารณ์มันให้ปล่อยวางให้ตัวผู้รู้ที่วิเคราะห์วิจารณ์ได้เนี่ยปล่อยวางให้ตัวนี้เพราะไอ้ตัวเรานี่เนี่ยมันตัวสังขารตัวร้ายหรือตัวเอาวิจาร ที่เราหลงยึดมาเนี่ยเราปล่อยวางไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเนี่ยไปจับความรู้สึกโง่งลกเบาสบายไปไปไล่รู้อาการความคิดไปไล่รู้ไปจับความรู้สึกว่างความรู้สึกสว่างอะไรไม่ใช่อันนี้มันปฏิบัติที่ผิดที่หลงผิดไปปล่อยวางตัวเราผู้ไปรู้เนี่ยปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้คือตัวเรานี่เนี่ยที่ไปรู้ใครเราไปรู้ก็ตัวเราเนี่ยคนรู้รู้แล้วเราก็คิดที่ครอบที่จารวิจัยตัวตัวเรามันไม่มีเบื้องหลังตัวเราไปแล้วเนี่ยเบื้องหลังตัวเราเลยไปแล้วมันก็ไม่มีอะไร เพราะฉะนตัวเราไม่มีเพราะว่าไอ้ความว่างเนี่ยไอ้ท่านรู้เนี่ยมันเป็นความว่างเช่นเดียวกับอากาศเนี่ยเหมือนกับไอ้สิ่งที่เลยรอบตัวเราไปเลยวเป็นความว่างของอากาศเนี่ยนั่นแหละคือเราแล้วมารู้ตัวเรานี่มารู้ตัวเรานี่ไอ้ตัวเราเนี fallen, ่ยทั tobacco, ้งตัวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันคิดนึกสื่อ้องอะไรขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดแต่ผู้รู้ไม่มีผู้รู้เนี่ยไม่มีเลยไม่ปรากฏกิริยาการไม่ปรากฏเป็นผู้รู้เลยไม่มีมีแต่กิยาการของสิ่งที่ถูกรู้คือตตัััววเเรา้งนี่ย ที่ถูกรู้อะไรความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ที่ถูกรู้แต่ตัวผู้รู้เนี่ยไม่เคยเปิดเผยตัวไม่มีตัวตนเพราะว่ามันคือความไม่มีตัวตนเะี่นเข้าใจหมเออไม่มีผู้ดูด้วยไม่มีผู้ดูด้วยมีแต่กิยาการที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครไปลองรับไม่มีใครไปเฉลิมเหมือนอย่างเนี้ย ไอ้ทุกขยาการที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีผู้ไปดูนะเห็นว่าทุกขยาการที่เกิดขึ้นเหมือนในกระดาษที่ชู้ที่มันโยนขึ้นอากาศอย่างเนี้ยแลไม่มีใครไปลองรับไม่มีใครไปรองรับดูไม่มีไอ้ผู้รู้ผู้รู้ไปจัดไปคอยไปคอยจัดไปคอยยึดเอาไว้แล้วไม่มีปล่อยด้วยทั้งไม่ยึดทั้งไม่ปล่อยด้วยคือมันไม่มีใครรองรับไม่มีใครเสวยทุกขยาการที่เกิดขึ้นน่ะคือให้ตัวเราผู้รู้เนี่ยให้รู้ไอ้ตัวเราผู้รู้ที่มันมีความรู้สึกมัิอารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนกระดาษที่ชู้ที่โยน ไปลองรับมันทุกทางงานเนี่ยมันยึดทางงานเนี่ยเนี่ยไปลองรับมันก็ทุกกิริยาการแม้แต่เป็นความว่างที่มันเป็นความรู้ไปอย่างไรเราไปลองรับมันก็ทุกทางนั้นเนี่ยมันมีได้ตัวเราเนี่ยทีมันมีกิริยาการที่มันมาเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้วดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้วดับไปเองไม่มีตัวผูรู้ไม่มีมีแต่กิริยาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองนี่ไงที่อัญญาโกนัญญาสังทำพุทธเจ้าจบแล้ว โอ้โหลำพึงขึ้นว่ายังกินจิตสมุทยะธรรมบางสัพพันตัมนิโรธาธรรมบัติโอ้คงมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคงมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นยก็ดับไปเป็นธรรมดามีแค่นี้เองไม่ได้ พ, Steve the พ, fly, พ mm ูด hmm. ถึงผู้รู้ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยไม่ได้พูึงานรู้อะไรเลยมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับตตตัััััััวเองงงงงยยจิิสสมมุทะาพนนโ สิ่งใดโอ้คงมีแต่สิ่งใดที่หนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกระดับมันไปสิ่งใดที่หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเองแล้วมันกระดับไปเองสิ่งใดที่หนึ่งที่มันเกิดขึ้นเองแล้วมันกระดับไปเองมีแค่นี้เองนะทั้งชีวิตมีอยู่แค่นี้เหี่ไม่มีใครยึดมั่นถึงอมั่นไม่มีใครรองรับเป็นอย่างเงี้ยมีแต่แค่นี้เนี่ยตัวผู้ดูผู้รู้ก็ไม่มีอ่ะมีแต่สิ่งใดที่หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปโอ้พระเจ้าตรัสว่าอัญญาโกลสัญญารู้แล้วหนออัญญะโกลอัญญะรู้ แค่นี้เองไม่มีผู้รู้ผู้รู้หรอกมีแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในใจเราไม่มีใครไปลองรับไม่มีใครก็หวยไม่ทราบจะเข้าใจหรึเปล่าเนเราพยายามเอาสิ่งที่มันไม่มีมาพูดมาพูดอธิบายพี่ตูเหอะมันยากขนาดไหนอ่ะมันถึงยากที่จะพูดนะเราเคยแอบดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเนี่ย หลวงปู่ท า, า, าจาุกโมเนี่ยท่านมรณภาพไปแล้วเราเลยชือ่อได้เพราะท่านมรณภาพไปหลวงปู่ทาจาลุธโมเนี่ยอายุท่าน 9.8 สมรทาภายู 9.8 ปีวา่าทำสมบูร์ที่ปาดช่องเป็นที่เคารพนับถือของพระและฆราวาสทั่วไปว่าท่านบรรลุอรหันต์แล้วหลวงปู่ทาจาุเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มีญาณุณีที่เป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่เาสาหลวงปู่เสากัลิโรหลวงปู่บ้านปริทัตโต เราไปสั่นอยู่บัดดีกว่ท่านหลายปีไปนวดท่านท่านกให้เรานวดแล้วก็นวดขยำขยาเราดวนเป็นหลักแล้วขยําขยําไปตัวตท่านเน่ยเรานวดขยําท่านไปขยําท่านไป น, น, นานเป็นเวลาตั้งเกือบสองชั่วโมงทนะ่านก็ให้เราวดราวนแล้วก็แอบไปเรื่อยๆทำไมไม่รู้เลยว่าท่านคิดอะไรนึกยังไงมีอารมณ์อะไรทําไมมันจับไม่ได้เลย มันจับไม่ได้หลืว่าท่านคิดอะไรมีความรู้สึกอะไรมีอารมณ์อะไรมีอาการยังไงมันมีอาการยังไงพระมันจับไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเลยเยราก็ลเลยทีย่น่าเอมันเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะไอ้ไอร่างกายของท่านเนี่ยมันเหมือนไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์ที่มันฉายฉายฉายภายพาไปตามไอ้จอข า, ขาวอยู่ตามผนังข า, ขาวๆนี่ใช่มมันไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์ที่ฉายภาพไป ไปไอจอเขาขาเนี่ยและไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเหมือนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มันใส่ไอเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วฉายไปเป็นเรื่องเป็นราวในเนี่ยไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เหมือนในไอข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มันเนี่ยใส่ไปในเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วมันก็ฉายไปแล้วส่วนในตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ไอเครื่องฉายเนี่ยมันก็คือร่างกายไอข้อมูลที่มันใส่เครื่องโปรเจคเตอร์ที่ฉายเป็นภาพเป็นร่างเป็นภาพยนตร์เป็นเรื่องราวที่ติดความหนักเนี่ยอันนี้ยคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นนามาครม แต่ของพระอาราหันต์พ่อแม่กูบาอาจารย์ท่านคือเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยที่มันฉายขึ้นฟ้าตอนนั้นน่ะท่านจั่รับแขกรับแข ก, กอยู่ตลอดเวลาสองชั่วโมงนั่นน่ะแต่ท่านฉายเครื่องโปรเจคเตอร์มันหนานขึ้นฟ้าเลยมองไม่ออกว่าไอ้เรื่องที่ฉายน่ยมันคือเรื่องอะไรมันมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันเป็นอะไรมันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าฉายขึ้นฟ้ามันไม่มีจอรับภาพแต่คนทั้งหลายเนี่ยที่นั่งรอบท่านเนี่ยในว่พระพาะว่าททั้งหมดเนี่ย มันเป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ฉายใส่ผนังใส่ฉายใส่จอมันมันมีจอรับภาพเลยมันดูได้เรื่องราวได้หมดเลยว่านนั้นน่ะมันฉายเรื่องอะไรเวลาตายพะหลานตายก็ดูท่านไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์ดับเครื่องโปรเจคเตอร์แตกไอ้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันก็ดับคือรูปประหก็ดับไอ้ข้อมูลที่มันก็ใส่เครื่องโปรเจคเตอร์ที่จะฉายไปเป็นเรื่องนั้นเรื่องเนี้ยมันก็ดับมันเลยดับไปทั้งรูปทั้งนาม และจอภาพก็ไม่มีมันก็เลยฉายขึ้นฟ้าอยู่แล้วเนี่ยโดยธรรมชาติมันชีวิตยอยู่เนี่ยแต่พอขัขันหน้าดับเพะนั่นแหะไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์ก็ดับแตกลงไปไอ้ไอข้อมูลในคอมพิวเตอร์อก็ดับมันฉายขึ้นฟ้าอยู่แล้วมันก็เลยหายไปหมดเลยอ่ะพวกยมทูจยมบาลมาหาหาไม่เจอเลยเอา้าเพราะว่าไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์ก็พังไปแล้วไอ้คอมพิวเตอร์ไอ้ทีให้ข้อมูลก็พังกันหมดแล้ว เลยจะหาข้อมูลเอาไปลงโทษคนทำผิดทำถูกทำบาปทำบุญอะไรมาจะจับเอาตัวไปลงโทษหาไม่ได้แล้วนี้มันหายไปไหนเนี่ยเมื่อพระเจ้าเลยกจันว่าที่ที่ว่าวิญญาณของพระโกติกาที่ที่หายไปอ่ะแล้วโยมมาทุ่นเดียววันหาไม่เจอไปถามพระเจ้าวะวิญญาณของเขาโกติกาหายไปไหนเจ้าไปลงโทษหาไม่เจอไปถามพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามันดับไปเหมือนเปลวไฟนเนี่ยเปลวไฟที่ติ้นเชือ้อดับพื้นหายไปแล้ว แต่คนทั้งหลายเนี่ยมันดับแส่เครื่องโปรเจคเตอร์และดับแส่ไอ้ข้อมูลเนี่ยที่เอาใส่เครื่องโปรเจคเตอร์แต่จอภาพมันไม่ดับมันไม่หายไอ้จอภาพคืออะไรก็คือสิ่งที่มารองรับ่ไงลองรับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งปรากฏขึ้นแล้วมาลองรับมันก็เลยเป็นจอภาพก็มาลองรับมีอะไรมันเข้าไปยึดหมดอ่ะมีเข้าไปยึดมันมีเเรยาการอะไรมันเข้าไปยึดหมดอ่ะไอทีดีจะเอาไว้ที่ไอทีที่ไม่ถูกใจไม่เอาเกียรติฝักไสเนี่ย ไอ้ที่ดีที่จะเอาไอ้ที่ไม่ดีมันจะผักใส่จิตดีชอบไอ้จิตไม่ดีรังเกียจจิตดีชอบจิตไม่ดีรังเกียจไอ้สิ่งใดที่ที่ถูกใจชอบจะเอาไว้ไอ้สิ่งใดไม่ชอบใจรังเกียจมันไป็นองรับแบบเนี้ยมันเป็นลองรับตลอดเนี่ยแต่พระรามไม่มีอะไรรองรับมันเกิดขึ้นระระดับไปเองอย่างจิจิสมุตยะทำมังสับพันตังนี่โรสะทำมันติดมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นระระดับตัวเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันเลยไม่มีจอรังภาพคนตั้งหลายในโลกนี้มันไปรับภาพไปรับหมดไปรับส ที่เกิดดับหมดมันเลยมีจอรับภาพพอตายแล้วมันตายแต่เครื่องผลิตมันแตกดับในเครื่องโปรเจคเตอร์ก็คือไอ้รูปมาขันในไอ้ไอ้เครื่องฉายเนี่ยมันดับแล้วไอ้นามาขันในความรู้สึกน้กคิดอารมณ์ไอ้ไอ้ข้อมูลที่ฉายในเครื่องโปรเจคเตอร์มันก็ดับไปด้วยแล้วก็ปุจจยทั้งหลายที่ไม่ใช่อาราณมันก็เลยมีจอรับภาพไม่ดับไปยมประบาลยมทูตมันก็มันจับเอาตรงนั้นนี่ยมันลวกมาจอรับภาพไปมันเปรียบเหมือนว่าเป็นเครื่องบันทึกเทปที่มันไม่ผูพังไม่จะลายเขาก็เอาไปพลี่ออกุ๊ เขาก็รู้เลยว่าทําบุญทำบาปทำกรรมดีกรรมชั่วมันเท่าไหร่เขาโอ้เขไม่ได้มันจะเหมือนในนี้ยยกตัวอย่างไอะไรนะ่ะไอ้หนังเจมบอลน่ะสมัยก่อนน่ะดูลราดูหนังเกมบอลสมัยก่อ น, อนาา เ, เอ น, นี่ยสมัยคาราวาสอ่ะเวลาเกมบอลในเวลาไอ้ต้นสังกัดเขาเนี่ยส่งเทปมาให้เทปม้วนหนึ่งจะสั่งให้ไปทํางานอะไรสังให้เกมบอลไปทํางานอะไรเป็ น, เ ป, นเป็นความลับเนี่ยเขาก็จะเอาเทปเนี้ยบ้วนเนี้ยส่งมาให้เจมบอลพอเจมบอลปังเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะบอกอะไรก็จะบอกว่าเป็นข้อความว่า เทปนี้มันจะสลายตัวมันเองเมื่อเทปนี้หมดมว้วนเมื่อฟังจบจะสลายตัวปายทายในสองวินาทีพอฟังจบปุ๊บเทปนี้ก็ไหม้ปุ๊บละลายหมดเลยแต่พวกเราเนี่ยมันไอ้เทปเนี่ยมันเป็นเทปไม่ละลายมันเป็นเทปหว่านบมันไม่ละลายมันมันทึกเก็บไปหมดนะไม่ยไรเราไปลองรับก่มัเป็นเทปไปรองรับไปหมดมันไม่ละลายเป็นเทปที่มไม่ละลายเราไม่ได้เป็นทเทปแบบของหนังเกมบอลเนี่ยมันละลายตัวมันเองเลยยมประทหนปัาไม่เจอ เอาเทปจะไปลงโทษเนี่ยไปขึ้นออกทำบุญทำ บ, บาปอะไรมาอะอาไม่เจอเลยเราของไอ้คนที่ยึดเนี่ยมันไม่หายเนี่ยเทพมันไม่ละลายตัวของเจเบลเขาเนี่ยไอ้เทปมันตึกไว้เนี่ยมันยึดหมดดีดีรักดีอะไรนะเกียดทุกรักถูกดีรักช่วยชังเกียรทุกรักถุกดีรักช่วยชังอยู่นี่แน่ไม่ว่าอะไรก็ตามตาเห็นอะไรก็ตามมันถูกใจผมก็จะเอาจะเอาไม่ว่าจะเป็นลูกรถกินเสียงตำผาตุบบัตรพรสถานบ้าจ้องอะไรจะเอาหมดแน่ เนี่ยสิ่งใดถูกใจมูนจะเอาหมดเนี่ยเนี่ยดีเนี่ยมันจะเอาไอ้สิ่งใดไม่ถูกใจมันเกลียดมันทีลน่ล้นมันฝังไสมันจะมันกู้ไม่ได้มันก็พยายามหนีห้หนีออกไปมันจะดีทัทง้ทงมันตัง้งรักตัง้งชังตั้งรังชังมันเลยติดมันมันเรียกว่ารองรับนี่ไงมันไม่มีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองเกิดเองระดับไปเองตัวเราไม่มีตัวผู้รู้ก็ไม่มีไม่มีตัวตนของผู้รู้มีแต่เกิเองกับเองไม่มีกิจยากรรมมีผู้รู้ไปดูอาการอะไรเลยไม่มีเลย ไม่ทราบแต่ เ, เข้าใจหมดเนี่ยเราเอาสิ่งที่มันมันพูดยากที่สุดลงไปมาทให้มันพูดง่ายนะเนี่ยเรายกประหยาดเรื่องหนังเรื่องไรเราก็ไม่ยกตัวอยัดที่หมดแล้วเนี่ยเอ๊ะประจุจยอดที่จะยากทจะที่ปายจริงๆเรายกตัวอยัดที่หมดแล้วปอเอเบอร์เจเ้าก็หมดแล้วเนี่ยเออเอเอ